วันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นวันที่ห้าธันวาห้าสองเป็นวันเสริมพระชนพันษาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันปวงประชาชาติไทยของเรายกว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติเพราะฉะนั้นจึงถือว่าวันนี้เป็นวัน มงคลมหามงคลอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นพวกเราอยู่ในฐานะประสบนิกรก็ขอให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสักวันหนึ่งได้ไหมคนดีนั่นคืออะไรอะไรคือมาตรฐานของคนดีคือในหลักของพุทธศาสนาก็คือศีลห้านี่แ่ะ ให้มีศีลห้าวันนี้ศีลห้าประการให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่าไปมีศีลห้าแบบโอหกตนเองอย่าไปมีศีลห้าแบบหลอกหลอกแลหลอกตอนเองให้ปีให้มีศีลห้าอย่างจริงจังวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้หลวงพ่อก็ได้บอกให้พระสงฆ์ทุกองค์ภายในวัด พร้อมกัน19นาฬิกาไหว้พระสวดมนต์จะเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ปฏิบัติสมาธิเพื่อเป็นการเฉลิมเรียกว่าการเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงผู้เป็นร่มโพร่มใส่ของประเทศชาติ ประสบนิกกรทุกโมูเหล่าตั้งฝ่ายพระสงฆ์ก็ตั้งแต่ดึกดำบันมานชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของชาติเพราะฉนั้นทั้งชาติทั้งศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์ไปด้วยกันแต่คํำว่าพระมหากษัตริย์ไม่เอือ้ออํานวยหรือไม่เห็นความสําคัญในาศาสนา พระพุทธศาสนาก็คงจะอยู่กับคู่เมืองไทยไม่ได้เพราะนัอย่างยกอย่างประเทศอินเดียประเทศอินเดียพอพระมหากษัตริย์ไม่นับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาก็ร่อยหลอจากอินเดียในเมื่อพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์อย่างพระยาอโศกให้ความสําคัญพระพุทธศาสนาก็เฟื่องฟู ในยุคสมัยนั้นปวงประชาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่ามีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีธรรมมัชเข้ามาเป็นเครื่องปกครองทางด้าน จ, จิตใจแต่าว่าพระพุทธศาสนาพระมหกากษัตริย์มาให้ความสําคัญพระพุทธศาสนาก็ร่ํยหลอเพราะนั้นชาติาศาสนาพระมหกากษัตริย์ในเมืองไทยของเราที่พวกเรานับถือพระพุทธศาสนา ที่อยู่ได้นานถึงขนาดนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือพระหมหากร์เป็นผู้เชิดชูบูชาเพราะนั้นพระคุณจุดนี้ก็เป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับปวงประชาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้นับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาจากบรรพบุรุษของพวกเราคือ พระมหากษัตริย์นี่ส่วนหนึ่งที่พยุงพระพุทธศาสนามาให้พวกเราได้เคารพนับถือถึงยุคนี้สมัยนี้ที่พวกเราได้กราบได้ไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่อธิษธานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเพราะท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านไม่ได้ยุ่งเหิงวุ่นวายกับ ฝ่ายทางโลกเพราะฝ่ายทางโลกท่านเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ปกป้องอยู่แล้วต้องฝ่ายพระสงฆ์ก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านเองชำระกายวาจาใจของท่านจนถึงท่านได้เป็นพระอรหรอรอรอนันต์โปรดง่ายง่ายเพราะกระดูกของท่านเป็นสกีพยานกระดูกของท่านอธิทฐานของท่านเป็นเม็ดกลมให้พวกเราได้เคารพสักการะบูชาคือกระดูกของพระอรหรันต์ ถ้ากระดูกประตุชนจะไม่เป็นอย่างนั้นกระดูกพระหานแล้วจะเป็นพระาธาตุเพราะนั้นเราจึงพูดได้ว่าประเทศไทยมีชาติมีพระพุทธศาสนาพมีพระมหากษัตริย์ทั้งสามเสาหลักเนี่ยถือว่าเป็นพวกเราเกิดมาเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนา และก็พร้อมกันก็ได้พบพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุ ณ, คณธรรมจริยธรรมที่ดีและก็ให้เป็นได้เป็นตัวอย่างของประสกนิกรในเมื่อบ้านเมืองรับขันขึ้นมาพระองค์ก็ได้มาปกป้องหรือแสดงความเมตตาหรือว่าใช้อำนาจรมคุ้มครอง อย่าทำอย่างนั้นนะปวงประชาทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะพวกเราก็ให้ความเคารพนับถือไม่ลูกกี่ครั้งตกี่โหนมาอย่างพวกเราได้ศึกษามานั่นแหละเพราะนั้นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักของชาติไทยแต่ ว, วันนี้เป็นวัน เ, เกิดของท่านพูดง่ายๆวันเกิดของในหลวง อันนี้ก็คือพูดแบบตรงตัวเหร่วันปวันประสูตรหรือวันเสลิมพระชนพนรรษาถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งหรือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติท่านเป็นพ่อตัวอย่างคือท่านปกครองประเทศชาติเพราะนั้นพวกเราทุกท่กทานลูกหลานทุกคนคำว่าพ่อพ่อคำนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ลึกซึ้งถึงใจถ้าพวกเราลำลึกถึงนะเว้นเสียแต่เราไม่ลำลึกถึงถึงจะมีคุณค่าขนาดไหนถ้าเราไม่ลำลึกถึงสิ่งนั้นก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันถ้าเราไม่ให้ความสำคัญสิ่งนั้นก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกันถ้าว่าทุกคนเห็นคุณค่ายกให้เป็นมีคุณค่าสิ่งนั้นก็มีคุณค่าขึ้นมาอย่างเพชรนินกินดาอย่างนี้น ถ้าเราเห็นแล้วเราไม่ให้ความสำคัญ เ, เพชรนินกินดาอันนั้นก็ไม่มีคุณค่าเหมือนกับไก่แจ้คุยเคียหาอาหารพอไปเห็น เ, เพชรทับทิมเม็ดงามไก่แจ่ตอนนั้นก็บอกว่าเออทหาว่าเจ้านะเพชร เ, เม็ดนีนะ้ไปอยู่ในหัวแหวนของเขาคงจะมีคุณค่ามหาศาล แต่นี้เราเห็นแล้วสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งยังมีประโยชน์สําหรับเราแต่เพชรเม็ดนี้เนี่ยเรากินก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเจ้าไปอยู่ในหัวแหวนของเขาจะมีคุณค่ามหาศาลแต่สําหรับเราแล้วสู้เม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งไม่ได้ไก่แก่มันพูดอย่างนั้นมันก็จริงอย่างคําของมัน มันไม่รู้จะออกไปยังไงมันไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนมอนกันถึงจะมีเพชรนินกินดามีคุณค่าแต่สู้มเม็ดข้าวสารเมร็ดหนึ่งไม่ได้มเม็ดข้าวสารมันยังเห็นแล้วมันจะกินเข้าท้องไปนยังมีประโยชน์กว่านี้ก็เหมือนกันคุณงามความดีถ้าเราไม่เห็นคุณค่ามันก็ไม่เกิดคุณค่าถ้าเรายกให้มีคุณค่าเราก็จะมีคุณค่าอย่างมากอย่างวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างที่ลุงพ่อได้กล่าว ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาคือวันพ่อแห่งชาติคำว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับเนี่ยเราตั้งแต่หัวจดเท้าเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่ใช่ไหมดังนั้นพ่อแม่เมื่อให้เรามาแล้วท่านยังเลี้ยงดูปูเสือธนุถนอมพวกเราอีกใช่ไหม อันนี้ก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคําว่าพ่อแม่คํานี้อยู่ที่ตัวของเราทุกคนเพราะฉะนั้นจะทําสิ่งไหนจะกระทําจึงใดจะพูดถึงใดจะคิดจึงใดที่มันจะกระทบกระเทือนหรือมันจะไม่เป็นประโยชน์มันจะให้โทษต่อพ่อแม่ของเราพวกเราก็ควรจะคิดให้ดีก่อนสําเนือสําเรลียมคิดให้ดีก่อน ให้ควรทบทวนให้ดีก่อนก่อนที่จะทำสิ่งนั้นลงไปคิดทั้งพูดทั้งทำลงไปแต่พวกเรามีสติสัมปชัญญะยับยัง้งกายวาจาใจของเราจำรักยับยั้งใจของเราทุกครั้งที่จะคิดที่จะพูดที่จะทำหลวงพ่อมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความราบรื่น จะไม่มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่หนักหนาทําให้รกรุงรังประเทศชาติบ้านเมืองอย่างยุคนี้สมัยนี้ที่มันรกรุงรังบางครั้งบางคราวก็เพราะเหตุว่าทุกคนไม่ได้คิดให้รอบครอบไม่ได้คิดให้ไกลคิดแต่เฉพาะเอาแต่ตัวเท่านั้นเองฆ่าได้ยังไงใครคนอื่นจะเดือดร้อนฆ่าไม่สนใจ ถ้าคิดได้เพียงแค่นั้นแล้วก็ประเทศชาติก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ถือว่าพวกเราเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดมาเพราะกรรมไม่ดีของพวกเราคือกรรมชั่วของเราพามาเกิดกับภารชนนะแต่ถ้าว่าพวกเรามาเกิดกับบัณฑิตนักปราชญ์แล้วก็จะต้องช่วยกันคิดอ่านว่าสิ่งไหนที่ควรจะทําสิ่งไหนที่ควรจะพูดสิ่งไหนที่ควรจะคิดถ้าพวกเรา เป็นผู้มีบุญจะเกิดมาในยุคนั้นสมัยนั้นเกิดมาพ่อแม่กับพ่อแม่เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีถ้ามีพี่น้องก็มีพี่น้องมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเข้าใจกันได้ง่ายแปลว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ไม่มีบุญนะพวกเราทำกรรมไม่ดีทำกรรมชั่วเอาไว้ในอดีตพอมาเกิดได้กับพ่อแม่มีแต่ขี้เล่าเมายา มีแต่นักเลงเกิดขึ้นมาแล้วมีตแต่เครื่องเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจของพวกเราแล้วก็พี่น้องเกิดขึ้นมาแล้วก็หาความไวเนื้อเชื่อใจกันไม่ได้ในพี่ในน้องมีแต่จะเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่จะคดจะโกงมิแต่จะฆ่าจะแกงกันในวงศาคณาญาติก็เหมือนกันอันนั้นแปลว่าพวกเราทากรรมไวไม้ไม่ดีในอดีตมาเกิดใน กลุ่มที่เป็นมิจฉาทิฐิหรือว่าเกิดมาในชุมชนกลุ่มพาละชนนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงมีแต่ว่าเออเราเกิดขึ้นมาแล้วคงจะเป็นกรรมที่ไม่ดีของเราในอดีตชาติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราได้ศึกษาในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว เราได้ศึกษาในพระธรรมคําสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตำรับตําราหนังสือหรือว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้เทศนาว่าการเราได้ศึกษาในธรรมคําสอนแล้วท่านพูดในเป็นนิยานิกรรมหรือว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องเป็นธรรมที่มีหลักมีเหตุมีผลข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ทุกประการหรือไม่ทุกประการกับพยายามทำให้ดีที่สุดในพระธรรมคำสั่งสอนที่เราได้ฟังได้ศึกษามาแล้วนั้นถ้าว่าพวกเรามาเจอมาพบสิ่งใดก็ดีแต่ว่าความดีนั้นไม่ใช่อยู่อยู่เพียงแค่ใดแค่หนึ่งถึงเราจะอยู่ในชุมชนหรืออยู่ในกลุ่มเป็นปราชญ์บัณฑิตนักปราชญ์ก็จริงแต่ว่าพระพุทธเจ้ า, ยาก็ยังสอนให้ ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นว่าอย่าติดใจในความสุขเพียงเล็กน้อยเท่านี้นะมันความสุขนี้มันมีความทุกข์แฝงนะเพราะเหตุอไรเพราะว่าต่อไปภายภาคหน้านั้นความทุกข์มหันคือความแก่ความเจ็บความตายรอพวกเราท่านทั้งหลายอยู่อย่าไปชลาใจกับเพียงความสุขเพียงแค่นี้ควรจะหาทางออกทางออกที่เราตถาคตได้ไปพบไปเจอแล้ว ที่เราได้ไปไ ป, ประพฤติปฏิบัติแล้วรู้แล้วเห็นหนทางแล้วให้พวกท่านเดินตามหลังเราเนี่ยเราได้ไปภาวนาหรือได้ไปปฏิบัติอยู่ที่คโคลนต้นโพนั่น่ะที่นั่งสมาธิใจของเราได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในวันเดือนหกเพนจุดนั่นแหละให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตาม พวกท่านจะหลีกลีหนีพ้นจากบ่วงแห่งมารจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไม่เกิดขึ้นมาแล้วจะตายความตายจะมาจากที่ไหนเพราะนั่นทำใจให้พวกท่านทั้งหลายให้หมดเชื้อเชื้อที่จะนำมาเกิดนั่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะในเมื่อท่านทั้งหลายชาระใจของท่านแล้วนั่นหละ พวกท่านทั้งหลายจะพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกนะนี่แหละธรรมะ ท, ทคำสังสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือไม่ได้ห ย, ยุดอยู่จุ ด, ด, ดใดจุดหนึ่งว่าง้นแหอะเออเหมือนกับว่าเรียนกอไก่จบแล้วออกอไก่ขอไข่ถึงห้อนกงหกแล้วต้องเรียนผสมสะอาดนะเนะเมเมื่อเรียนสมสะอาดเสร็จแล้วเออพยายามอ่านให้เข้าใจในข้อความนะ ในเมื่ออ่านเข้าใจในข้อความแล้วมีข้อความไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ให้นำมาประพุทธปฏิบัติกับตนเองนะในเมื่อนำมาประพุทธปฏิบัติตัวเองต้องลงมือปฏิบัตินะแล้วก็ให้ไปไปตามแนวแถวที่พระธรรมคำสอนที่ท่านได้สอนไว้แล้วนะเพราะนั้นตั้งแต่เรื่องเรียนกอไก่จนถึงความหลุดพ้น พวกเราจะต้องได้เรียนได้ศึกษาโดยการทั้งนั้นแหละเพราะวิชาความรู้ในโลกนี้มีมากมายหลายอย่างแต่ก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาและครลงมือประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้วันเป็นวันพ่อแห่งชาติให้เราลำเลึกถึงพระคุณชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากษัตริย์ เราปฏิบัติตนอย่างไรเราจะบูชาพระคุณท่านอย่างไรแต่ท่านอยู่ไกลจากเราก็นอกจากปฏิบัติบูบชาคือทำตนให้เป็นคนดีวันนี้ให้มีศีลห้าหลวงพ่อว่านะพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในบนสาราของหลวงพ่อนะทุกคนควรจะมีศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่กล่าวมุสาแลวก็ไม่ดื่มสุรา เพียงแค่นี้แหละเป็นวันนี้เป็นคนดีละเป็นการบูชาพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวละแปลว่าปฏิบัติบูชาแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ทำอย่างนั้นแปลว่าอมิษรสบูชาก็คือเราทำคุณประโยชน์ให้แกประเทศชาติจะเป็นช่วยโรงพยาบาลช่วยรองลำโรงเรียนปัดถนนหนทาง อันนี้เร า, าปฏิบัติบูชา เ, เรียกว่าอามิศบูชาแต่ว่าพวกเราทําดีสรวมกายวาจาใจของเราให้เป็นคนดอีอันนี้เราว่าปฏิบัติบูชาหลวงพ่อว่าเอาปฏิบัติบูชานะจะดีกว่านะอามิศบูชาถ้ามีแล้วก็เอ้าก็ดีทั้งสองอย่างทั้งอามิศบูชาด้วยทั้งปฏิบัติบูบชาด้วยแล้วก็พร้อมกัน ไม่ใช่ว่ามีวันเดียวเท่านั้นนะวันที่ห้ธันวาเท่านั้นนะ่ทุกวันอยู่ในตัวของเราก็คือพ่อกับแม่อยู่ในตัวของเราเราจะปฏิบัติตนยังไงเพื่อบูชาพระคุณของบิดามารดาของเราอีกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องพวกเราก็ต้องคิดอีกเหมือนกันต้องทําดีทุกวี่ทุกวันทุกเว ล, เวลาเมื่อเราลําลึกได้เมื่อไหร่เราก็ควรจะปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อบูชาพระคุณของ พ่อแม่ของพวกเราที่อยู่กับตัวของเราท่านทั้งหลายนี่แหละวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญวันหนึ่งขอให้พวกเราพุทธศาสนากชนทุกหมู่ทุกเหล่านาอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปถึงอย่งไงโสแสวงหาทรัพย์สมบัติเราก็โสแสวงอย่าไปขี้เกียจขี้คลานสิ่งไหนที่จะเป็นทรัพย์สมบัติอ้าวทำอย่างเต็มที่ แต่พร้อมกันอาหารทางด้านจิตใจก็อย่าลืมฮะอาหารทางด้านจิตใจก็อย่าลืมไม่ใช่ว่าเราล่ํารวยขึ้นมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่นะพวกเราก็จะต้องคิดถึงจุดนั้นอีกต้องสะสะแสวงหาทรัพย์ในปัจจุบันทั้งสะสะแสวงหาทรัพย์ที่จะเดินทางไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าด้วยทางว่าคนมีบุญไปเกิดพบหน้าชาติหน้าก็จะมีความสุข ร่มเย็นเป็นสุขล่ํารวยอีกถ้าคนมีบุญไปเกิดถ้าคนไม่มีบุญไปเกิดแล้วไปเกิดนักสถานที่ใดมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเพราะนั้นบุญกุศลควรสั่งสมอย่างยิ่งปุญญานิปัละโลกัจเหมิงปฏิทถาโหนติปานินางบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นโลกนี้ก็บุญเราอยู่ด้วยบุญไปเกิดพบน้าชาติหน้า เราก็พึ่งพาอาศัยบุญอีกเหมือนกันบุญเป็นที่พึ่งของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมมทธนิยกถาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาตอนน่อไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร